เขามาป่วยมาเส้นนานไม่ได้เป็นทึกเสียงไม่ออกข่าวธรรดามันผู้จบริษัททราบตามหนังสือทั้งนี้เพราะว่ากฎธรรมดาของร่างกายมันก็เป็นอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเกิดแก่เจ็บตายอาการป่วยจริงๆบรรดาท่านางหลายมันป่วยมาตลอดชาติแต่วความรุแนแรงของอาการป่วยเริ่มตั้งแต่ วันที่15มิถุนายน2525 25. ตั้งแต่นั้นมาการป่วยทวีขึ้นประตามลำดับและก็ถึงที่สุดการป่วยหนักปีพศ2528ตอนกลางวันษาปรากฏว่าป่วยถึงขั้นจะต้องเกือบตายเีื่อการเพศอยุนหนักแต่ก็ในที่สุด ร่างกายเขาสามารถส่งมาได้ท่านี้ต้องอาศัยพุทธบา ร, รมีคือบา ร, รมีของพระ เ, เจ้าพระปฏิเจ้าก็ทําแล้วระอริยสงฆ์ทั้งหลายตลอดจนครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งหมดและพ ร, รมหาเทวดาท่านช่วยถ้าพูดอย่างนี้คือเป็นความฝันมากเกินไปแต่ก็เป็นความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิง ทั้งที่มีอายุแก่กว่าอาตมาเสมออาตมาอ่อนกว่าั้นลูกคนหลานต่างคนก็ต่างมีความป่วยไข้ไม่สบายบางท่านถึงก็คอยฟังข่าวอย่างสมัยที่กลับมาจากอเมริกาทุกคนเราทราบว่า ป, ป่วยหนักเขาไปป่วยที่อเมริกาไปถึงชี่กาโก้ก็ดีอยู่สองวันหลังจากนั้นก็ป่วยเฉียบพัน กลัวความว่าการป่วยเขานั้นเข้าถึงขั้นตายกันแน่ว่าปิดทั้งหมดไม่สามารถจะใคราไข้ออกมาได้อาการหนักมากแต่ก็อาศัยพุทธบา ร, รมีคือบา ร, รมีพระพุทธเจ้าพ ร, ระปฏิเจพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์โทมเทวดาจอยจนทั้งหมอที่รักทำการรักษาหมอที่รักษาชื่ออะไรสมัยทราบลืมชื่อไปแล้วเชื่อเขาจริงๆ อาตมาตั้งชื่อให้ช้สีเธอไปอเมริกาด้วยช่วยจริงๆคนนี้ไม่มีโอกาสที่จะได้เที่ยวเตร่กับเขาทั้นี้เพราะว่าการคบพระแก่ช่วยส่งเสริมพระแก่ยามมันเท่าความทุกข์พระแก่เธอก็ต้องแก่ไปด้วยคำว่าแก่ในที่นี้ก็หมายความว่าเขาไม่ได้เที่ยวกันเธอไม่ได้เที่ยวมีความห่วงใยเป็นพิเศษ แล้วก็ท้าพระก็ดีเนนก็ดีเนรไม่มีไปพูดติดปากไปคนนั้งหลายที่ไปก็ดีต่างคนก็ต่างมีความหหวงใหญ่แต่มันก็ยังไม่ตายท่านพุทธบริษัทอยู่ชิคาโก้หลายวันอาการปล่วยไม่คลายหนักจนว่าทั่งไม่สามารถจะคุยกับใครได้แต่ใั้ร่วงกับกำลังกายเท่าที่มีอยู่และกำลังใจ เวลาบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายจะมาเจริญกรรมฐานกันก็รวมกําลังกายกําลังใจอย่างหนักไปแนะนําพระกรรมฐานตามสมควรแต่ก็พูดไม่ได้มากให้ศิ้นได้นําสมาทานได้หลังจากนั้นก็คุยนิดหน่อยแล้วก็กลับมานอนกระรองความมหาความสุขไม่ได้เอกจะคิดกลโกมาเดนเวอร์ก็ยังป่วยอยู่ มาที่บ้านเดนเวอร์เนียสัยท่านยาของบ้านผู้ใหญ่มารดาของบ้านช่วยส่งเคราะห์ อ, อีกแรงหนึ่งค่อยวันเผาไปได้กลับไปถึงแคลิฟอร์เนียตอนนี้บรรดาท่าพุทธบริษัทพอเขาหยับเดินได้บ้างการเดินก็ต้องไปที่โนนศูนย์การค้าจะไม่ได้ไปซื้อของเพราะศูนย์การค้าเย็นที่ชิคาโก้ก็หนาวเดนเวอร์ก็หนาว พอถึงแคลิฟอร์เนียแปลกุว่าร้อนต้องอาศัยศูนย์การค้าเป็นที่เดินพ่อเย็นใครเขาซื้ออะไรเป็นเรื่องของท่านแต่ก็ใจตอนนี้ก็ขอพูดหน่อยหนึ่งว่าการไปต่างประเทศคราวนี้ไม่จะรบกนเงินสงมันดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงที่ในประเทศไทยช่วยสงเข้ากันจริงๆสองแสนเศษ และกัมบปบรรดาลูกหลานกบรปดาญาจงพุทธบริษัทที่อเมริกาทั้งชิคาโกเดนเวอร์และแอนแอชเลียคเนียทั้งหมดก็ดช่วยกันมาจริงๆล้านเศษเป็นว่าเงินกัมปดาแทนพุทธบริษัทที่ทําบุญมาส่วนอื่นไม่ได้ทับโกนได้โอกาสช่วยซื้อตัวเครื่องบินให้เจรพระพระไปไหลายองค์พระพระทั้งหมดที่วัดท่าทรงมีความเหนื่อยยากมาก ให้ไปลป่อนคลายชีวิตบ้างแต่เงินของวันดาท่านพุทธบริษัทที่ถวายมาก็ซื้อเกี่ยวอุปกรณ์การศึกษาของนักเรียนจากอเมริกาหมดไปจริงๆประมาณหกแสนบาทเมื่อกลับไปถึงประเทศไทยให้ช่วยการศึกษาอีกสี่แสนบาทเศษสี่แสนสามืนสองพันบาทแล้วก็นอกจากนั้น ก็นำมาในการก่อสร้างบ้างเสียค่ากระแสไฟฟ้าพระบ้างก็เป็นวัติ์ปิวไป <c oughs> ก็หมดกันไปเป็นวันเงินบัรดาญาติโยมพุทธบริษัททังหลายทั้งในประเทศก็ดีนอกประเทศก็ดีมีประโยชน์เป็นสาธารณประโยชน์บ้างและการทาเป็นการสงเคาะประสงค์ในพุทธศาสนาบ้างช่วยส่งเสริมพุทธศาสนาในการก่อสร้างและธรรมะบ้าง ขอธรรมา ก, ก็ข อ, อนมโมทนากตมรนดาแานพุทธบริษัทที่นี้ได้มีการส่งข้อค่าวนี้ขอความดีข้ามันดาแานพุทธบริษัททั้งหมดจงโดยบรรดาในท่านหนังหลายมีแต่วความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผ ล, ผลและจงเจริญไปด้วยจากตุรพิจารณ์ชัยทั้งสี่ประการมีอายุวรนนะสุขภาพพร ะ, ะและปฏิภาณทุกท่านตัณนาสิ่งใดค่อยได้สิ่งนั้งชุ่ความปัตนนา ความจริงการพูดคราวนี้ไม่ได้มีความประสงค์จะพูดเ่อาการไปเมริกาไปเที่ยวที่ไหนบ้างสถานที่ท่องเที่ยวจริงๆก็คือที่นอนและลูกหลานก็ดีแสนดีจริงๆในประเทศเมริกาทุกคนแสนจะดีหมดในประเทศไทยทุกคนก็แสนจะดีหมดแต่ปรากฏว่าเมื่อกลับมาถึงประเทศไทยบรรดาลูกหลานและพุทธบริษัทยาจนทั้งหลาย ที่มีความห่วงใยต่างคนก็ต่างมาถึงถานความทุกข์ไปแก่การป่วยไข้ไม่สบายแต่ส่วนใหญ่ก็เลยทั้งจะเป็นเกือบทุกคนและคนที่รู้จักจริงๆอาตมาคิดว่าทุกคนต่างคนต่างนําจตุปจัยมาถวายเพื่อช่วยในการรักษาโรคมีหลายคนที่เข้ามาถามว่าหลวงพ่อป่วยไข้ไม่สบายเป็นยังไงบ้าง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 นึอเอาแตชื่อทีแ่แต่งแต่งตั้งให้เรียกเคยอย่างนั้นมันทนมนสบายดีรู้สึกว่าชื่อจริงๆมันเพราะมากเกินไปเรียกไว้ถนัดตั้งห้าคนมาคอยให้ยารักษาโรคแต่ก็เป็นการโชคดีจริงๆวันนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงคิดว่าไม่รอดพอไปถึงดอนเมืองก็อาการเครียด จ, จัด ออกจากดนเมืองชั้นข้าวเสร็จไปพักที่บ้านท่านพลอากาศทวรทองโรชนวิภัคน์พอออกมาแล้วก็อาการหนักมากนึกในใจว่าวันนี้ไม่วัดเทพก็วัด่าตทองอาจจะไปจำบรรษาตลอดการที่นั่งก็ได้แต่อาการหนักมากเพียงใดก็ตามทีจิตใจอย่างสบายรู้สึกว่าเป็นของธรรมดา ก็ใจก็นึกถึงพระไม้อาการป่วยมากเพียงใดก็ตามจิดก็นึกถึงพระมากเพียงนั้นเพราะพระจะมนึกถึงพระาการนึกถึงพระเป็นความดีส่วนหนึ่งที่ว่าส่วนหนึ่งในความดีถ้าพระตรงถี้เป็นความดีสูงสุดแต่ว่าชาวโลกอาจจะคิดไม่ถึงนม่คิหรือไม่ไดไ้คิดถึงก็ได้เป็นของธรรมดานึกถึงพระว่าวันนี้ถ้าจะตายก็เชิญตาย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 สี่เวลามารักษาเสียค่ารถและนอกจากนั้นรักษาเสร็จก็เสียค่าตังค์ให้พระผู้ป่วยความดีของท่านหลายพวกนี้หรือไม่ได้พอถึงสี่โมงย็นอาการก็คลายตัวพอถึงหกโมงย็นากลายอาการคลายตัวมากหลังจากนั้นก็ลงไปคุยกับบรรดาท่านพุทธบริษัทได้ก็ลงความรอดชีวิตไปคราวหนึ่ง ก็มีบรรดาลูกหลานใะนญาติโยมทั้งหลายถามเรงความสุขทุกข์ที่ท่านมีความรู้ว่ามีป่วยแต่บางท่านที่ไม่ทราบก็มีมากกา ร, รแสดงออกไม่ได้แสดงถึงว่าทุกข์เคยเวทนาเครียดกยารจะคุยกับบรรดาแทนพุทธวิสัตถ์ร่วมกาลังใจยอย่างหนักสู้แค่หมดลมถ้าธรรมะถ้าอย่างอื่นไม่เอาดยแน่ก็คนจะตายแล้ว ในที่สุดก็จะลอชีวิตมาได้มีท่านหนึ่งเข้ามาถามว่าหลวงพ่อป่วยมากไหมทีนี้ท่านหนึ่งเข้ามาพาคุณแม่มาด้วยความจริงท่านคณะนี้ท่านช่วยมานานกำลังทรัพย์ก็ช่วยมากแต่ว่าทุกคราวที่ช่วยเหลือไม่เคยบอกชื่อมาคราวนี้ท่านช่วยบอกชื่อเขียนที่มาให้สองท่าน แล้ท่านหนึ่งพามันดามาจะนได้ได้ว่าโอ้คนนี้คือบุตรขอคนนี้นั่นเองแต่ว่าเจ้าของสงวนชื่อก็คงขอสงวนตามความดีของท่านที่เกื้อกูลตลอดมาลืมไม่ได้ยิงตั้งสถานที่สําคัญไว้นหนึ่งห้องกรรมฐ า, านและพระพุทธรูปสำรับนิสงใส่ชื่อสอนเจ้สองเจ้าของท่านไว้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 มันกำลังป่วยแต่อาการคลายตัวขึ้นมาสามวันคลายขึ้นมาแล้วนะสามวันอาการพอดีบ้างมีกำลังพอใช้ได้บ้างซ้อมเดินมาสองวันพอเดินได้เวลานี้ยันลงแต่ตรงชั้นล่างกุฏิไม่ไหวรอบๆกุฏิข้างบอ่อและในสวนท้องหลังที่เคยเดินกลางวันตอนเย็นก็ไม่สามารถจะไปได้ แต่เวลานี้ตีสองบรรดาท่านพุทบริษัทหลายเป็นวันที่สิบห้ามิถุนายนสองพันห้ารอยสมสิบลืมบอกไปตื่นขึ้นมาในคำมรรดาไปจะคุยกับบรรดาท่านพุทบริษัทผู้มีคนจะเป็นชั้นพี่ชั้นแม่ชั้นนาชั้นอาชั้นหลายก็ตามชั้นลูกก็ตามก็ถือว่าเป็นผู้มีคนเพราะชีวิตอาตมาทรงได้เพราะท่านทั้งหลายเพราะว่าท่านทั้งหลายมาสงเคราะห์อาตมาก็หมดโอกาสจะมาพูดอย่างนี้ได้ ก็จะเล่าเรื่องสู่กันฟังการป่วยพ้นไปมาเมื่อเมื่อไม่กี่วันวันี้เมื่อวันที่สิบและวันที่เก้าวันที่เก้ามิถุนายนอาการป่วยพิเศษที่ก่อนหน้านั้นสามวันนอนเห็นเลขเก้าขึ้นชัดมากตัวใหญ่และก็มีวงกลมภายในมนสีแดงก็คิดในใจว่าสีแดงเป็นสัญลักษณ์แห่งการป่วย ถ้าจะป่วยอยู่แล้วถ้าจะมากขึ้นต้องดสูสีมากจะน้อยต้องดสูสีถ้าสีแดงจัดก็ป่วยมากสีแดงน้อยก็ป่ยน้อยถนะ้าสีแดงจัดถ้ามีเลขเก้าอยู่ภายในก็คิดว่าวันที่เก้าเราต้องป่วยแน่เขาบอกวันที่เัร็ิก็เป็นความจริงตามนั้นพอ ถ, ถึงวันที่เก้าอาการก็เครียดหนักพอ ถ, ถึงวันที่สิบเวลาสามโมงเช้าเก้าา ว่าทั้งสองอย่างบางคนเลี่ยสามโมงเช้าบางคนบางคนเรียเร่ยเก้านาฬิกาก็เกิดปัสสาวะไม่ออกความจริงไม่มีทีท่ามาก่อนอาการตายเริ่มปรากฏอยู่ๆก็ปัสสาวะไม่ออกเฉยๆเมื่อปีสองแปดมันเป็นมาแล้วครั้งหนึ่งก็ไอ้พอรมดชคืนคงดีโทรศัพท์บอกหมอจรุนเพราะคุณหมอทั้งห้าคนห่วงใหญ่มาก รักึษาทั้งที่กรุงเทพติดตามไปทั้งที่วัดยอมอดหลับอดนอนเสียเงินเสียทองเสียเวลาการงานไม่เป็นไรด้นนอกจากนั้นยังเตรียมห้องไว้ถ้าลวงพ่อป่วยหนักอะไรจะเข้าห้องได้ทันทีความดีของหมอทุกคนและทุกท่านที่ห่งใหญยลืมไม่ได้เป็นความดีสูงสุดขั้นยอดชีวิตก็มานั่งคิดว่าพอถึงวันที่9ป่วยหนักวันที่10ปัสสาวะไม่ออก ก็คิดว่าการอย่างนี้ต้องผ่าก็นึกในใจว่าจะผ่ามันทำไมการผ่าไตก็เจ็บเจ็บแล้วมันก็ไม่หายเจ็บแล้วก็ตายเจ็บครั้งนี้รักษาหายต่อไปก็เจ็บใหม่อาจต้องถผ่าอีกผ่าซับผ่าซ้อนรักสาซับรักษ า, ซ, าซ้อนแบบนี้ไม่ควรจะมีต่อไปการเกิดมีชีวิตมาอย่างนี้ก็พอแล้วอายุเจ็ดสิบปีเศษที่พอนานพอ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 ก็ตายซื้อเวลานี้ก็หมดเรื่องความจริงเรื่องนี้ตัดสินใจมาจากอเมริกาแล้วว่าควรจะตายแล้วก็ระยะจากอเมริกาวพอจะถึงวันที่20มิถุนา ย, ยนตัดสินใจมาสามครั้งมันเครียดจริงๆเหลือทนต้องใช้กำลังใจหนักมากเป็นพิเศษแต่บรรดาแทนพุทธบริษัทก็น่าสะใจตัดสินใจแน่นอนใช้ใจดูกาย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 พอถึงเวลาเป็นสุขบรญญาเต็มพุทธบริษัทปรากุฏพระปรากฏองค์พระท่านมาท่านก็บอกว่าร่างกายเนี่ยมันไม่ดีจริงเต่าก็ไม่ติดแต่ว่าชีวิตยังไม่ควรจะดับก็กลับยนถามท่านว่าถ้าชีวิตไม่ดับอะไรจะทรงอยู่ในเมื่อราาประสาทมันใช้งานไม่ได้ท่านบอกควรจะอยู่ถามท่านว่าจะอยู่ได้ยังไงใ น, นเมื่อเวลานี้จริงก็ไม่ได้ นอนก็ไม่หลับปัสสาวะก็ไม่ออกมันก็ควรจะตายวันนี้การอยู่ไปไม่ได้เกิดประโยชน์ถ้าผ่าไม่ผ่าแน่จกปล่อยมันทรงทุกเวทนาแบบ น, นี้นั้นที่สุดมันก็ต้องตายเองพระเต็งก็บอกว่ารอก่อนชีวิตเป็นของมีค่าก็นึดในใจให้ชีวิตระยำห ม, มาเนี่ยมันมีค่าตรงไหน มันเลวแสนเลวไม่ได้ความทุกขเวทนาแล้วก็อดกดทนมาตด้งแตการทับกวงต่อไปนี้ไม่ขออดไม่ขอทนอะไรก็ตามทีจะช่วยใครต้องช่วยด้วยการคล่องตัวถ้าการคล่องตัวไม่มีก็ไม่ช่วยใครพอช่วยท่านแล้วเราก็ไม่หมดทุกเราไม่ช่วยท่านเราทุกน้อยเราช่วยท่านเราทุกมากเรื่องบุญในกุศลก็พอพอสมควรแก่ชีวิต ที่เร็วสามแบบนี้ร่างกายเต็มไปความสุขกระโปรงสโครเต็มไปได้วยความเร็วต้องการอะไรมันอีกนอนนึกว่าอะไรบ้างที่ยังบกพร้องในการบนกานุศน์คิดแล้วก็มองเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรเลยเราทำพร้อมทุกอย่างยิ่งใดที่พอถ้าบังเอิญจะไปเกิดใหม่เป็นคนเสียงนั้นก็พเพียบพร้อมแล้ว และก็พร้อมมาแล้วก็สิ่งใดที่เกิดพิเทวดาก็ตามเป็นตรงก็ตามก็พร้อมแล้วสิ่งใดที่จะไม่กลับมาเกิดสิ่งนั้นก็พร้อมแล้วทุกอย่างเมื่อพร้อมก็ไม่จําเป็นต้องบรรทุกใหม่ต่อไปตัดชิ้นใจว่าควรจะไปกันแน่พระเตยบอกว่ายังไม่ควรก็บอกว่าถ้านก็กลับเรียนที่ว่าไม่ควรก็ต้องควรก็คราวนี้มายอมผ่า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 ในที่สุดเต้บอกว่าไม่ต้องผ่าจะ อ, อยู่ได้ไหมก็กล่าวเป็นว่าถ้าร่างกายมันอยู่ด้ดีก็อยู่ร่างกายอยู่ไม่ดีก็ไม่ขออยู่เพาอยู่ไม่มีประโยชน์มีแต่ทุกข์ท่านก็เลยบอกว่าเอาละต่อไปฉันจะช่วยให้ค่อยๆดีขึ้นจะใจเร็วนักนะเต้อบอกว่าการคราวนี้ไม่ต้องผ่า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 แต่ถึงอะไรก็ดีเธอต้องล้างทองถ้าไม่ล่องไม่ล้างทุกเวทนาจะหนักกว่านี้แล้วก็ยังไม่ตายท่านตัท่านพูดแล้วก็นึกหนักใจว่าทล า, างท้องมาเอินมันไม่หายจะว่ายังไงท่านบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันตอนบ่ายสองโมงไปรับแขกตามปกติได้ค <c oughs> วามจริงการรับแขกก็งำงั้มเต็มที พูดกับแขกก็ไม่ไหวนั่งเป็นทุกตาเป็นสังขารนติไปเรื่อยๆไปถึงเวลาก็กลับกลับมาก็จัดการให้เจ้าหน้าที่ทำการล้างท้องก็เป็นเรื่องน่าเส็จจันพอล้างท้องเสร็จปัสาวะาก็พุ่งโชนทันทีท้องโล่งหมดทุกไปตัวมาร่างกายก็เพียนิดหน่อยแต่ความจริงการล้างท้องว่าเพียมากอาตมาไม่เคยเพียรมากเลย ที่ไม่รู้สึกเพียพระ菩萨ทั้งร่างกายมันตายถ้าพูดอย่างนี้ท่านอังหลายที่ไม่ป่วยเองไม่ทราบหมอถ้าพูดตำลักวิชาก็ไม่ทราบแล้วร่างกายตายจะทรงยิ่งได้ยังไงอันนั้นเป็นเรื่องของพระถ้าพระจจเพื่นทราบตามความเป็นจริงแล้วก็พอดีหมอที่โรงพยาบาลแม่ะเด็กที่ว่าอะไรเขาเขียนตำรามาให้ขออ่านดู อชื่อว่าคุณหมอวัติใจในแบบในแพทย์วัติใจองสัญอะไรเนาะองสัญกรยังไงไปทราบเขาเขียนมานะก็อ่านไปเจออกนะักเ้าเรียกว่าหมอวัติใจวงสัญก่อนเธอนัดว่าจะมาประมาณใกล้ๆสี่โมงเย้าที่พักนาฬิกาจะจัดมาสนปัสสาวะออกก่อนที่หน้าคุณหมอจะมาประมาณนัก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 ในฐานะที่เป็นสาวกของส์สมเด็จพระบรมครูถือว่าเรื่องตายเป็นความธรรมดาเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องตายเรื่องเล็กเมื่อเกิดมากินมากตายน้อยนั่นคือกินไหลไม่รู้นับยิ่มไม่ท้วนแต่ตายครั้งเดียวตายครั้งเดียวก็ถึงที่สุดกันก็นึกในใจว่าเออเมันจะตายก็เชิญตายก่อนจะตายก็ยึดพระเป็นที่พึ่งก็ภาวนาทาําปิติสบายบรรดาเดินพุทธบริษัทไหล พอจับลมหายใจเข้าหายใจออกเพียงแค่มาถึงสองรอบจิตก็เพิมจีกก็เริ่มหมดความรู้สึกภายนอกก็ปรากฏว่าฝันนอนฝันฝันกลางวันสุนัขนอนล้อมรอบแล้วก็ฝันแค่ความจริงเรื่องสุนัขที่บรรดาเต็มพุทธบริษัทอาตมาขอพูดสักนิดหนึ่งเราะว่าไปป่วยที่อเมริกาอาการมันเหมือนกับสุนัขป่วย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 พอเข้าประตูบริเวณเขาเตียก็เดินนําหน้าพาไปหาลกูกไอ้เจ้าลูกก็มานอนบนตักตัวเล็กๆตักกันนอนหลายตัวถ้าไหลแม่แต่ละแม่ก็มาคอยเอาจากแม่นี้แม่นั่นก็พาไปห้องของตัวมันเป็นอย่างนี้สุนัขใครลูกก็มีความรักในมันมันมีความซื่อสัตย์สุจริ ด, ดีแต่เจ้าสุนัขพวกนี้มันตายไปหลายตัวอาการที่เป็นก็คือว่าวิ่งเล่นอยู่ดีๆมีแรงมาก พอาการค่าจับปั๊บมันจะหมดแรงทันทีแล้วก็ลุกไม่ขึ้นท้องอืดบทายไม่ออกในที่สุดก็ตายรักษาไม่หายก็ดีหมอจารุณหมอมนตรีหมอชนะและว้วก็ตามแล้วก็มีท่านสตัตวแพทย์ท่านหนึ่งจากกรุงเทพไม่รู้ชื่อตอนแจ้ชีวิตหมาไว้มากหลายตัวกาลังจะแยกท่านหมอพวกนี้ไปถึงให้การนักเยียวยารักษาหายความดีของท่านลืมไม่ได้เป็นความดีสูงสุด อะไรบรรดาญาโยมพุทธบริษัทไม่จะพูดหน่อยหนึ่งก็หมดเวลาไปสามสิบนาทีตอนนี้ไปก็ขอหยุดเพ็นิดหนึ่งขอต่อมาหน้าใหม่ของเทพไอซ์นิดนะเล้วว่าแหมก็จะเข้าเวลได้กับนานได้เกินถ้าขอหยุดตอน น, นี้เดี๋ยวเดี๋ยวขยับใหม่ขยับใหม่